มีงามแล้วจะปลูกสร้างอะไรนั่นก็ปลูกได้ง่ายถ้าพื้นที่ไหน ม, มีมีวัสดุต่างๆแจะมาสร้างมาปลูกปลูกไปได้ถิ่งจรงๆตัวสําคัญเหมือนแผ่นดินคนจะปลูกฝังอะไรก็ต้องอาศัยแผ่นดินผานจังหวะถิ่นสมาธิปัญญาเป็นไใจปิดหางถิ่นักศาสานะาจะต้อง ศึกษาให้ปวดถึงให้รู้ให้เข้าใจและรักษาเอาไว้ดีๆในอย่างนั้นทือศาสนาแต่ไม่มีศีลธรรมอะไรคำพูดพูดบ้าว่าเราทือศาสนา ปากเป็นธรรมแต่หัวใจเป็นยัดษคือการกระทำการคิดฝุงภายในไม่มีอะไรเป็นอาจเป็นธรรให้เขาจึงว่าตากเป็นธรร ม, ห, รรรมหัวใจเป็นยักษคอยแต่จะกินแต จ, จินแต่ฉี่เมนืม่อยเสียหนังคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสงบระงับหายใน จิดในใจของตุกแบบนั้นมันมีมากสมัยปัจจุบันพราะธรรมะเรียนมาจากตำรับตำล่างฟังมาจากคุบาอาจารย์แต่การสระธิตปฏิบัติมันไม่เข้าขีดเข้าขั้นเขาว่องเขาร้อยให้แบบนั้นมีมากหากตาไม่ถึงอาจจะถูกข้องตอม คงเราจะรู้จักกันวัดีชั่วต้งองหยุดรวมกันไปนานๆจะรู้จักพอเห็นกันใหม่ก็ท่าผ่าทีจิริยาทุกอย่างเรียบร้อยหัวใจว่าเป็นของหดีของดีแต่อยู่เกื่กันไปนานๆเขา้าความเสื่อมเสียที่มีอยู่ในใจความผักดันภายในของกิเลสตัณหามันจ ะ, สะแสดงออกมาทางภาษา ปัจจุ บ, บันเขาจึงว่าระยะทางที่สุดมาตารเวลาที่สุดคนธรรมดามาที่มีสีจินระยะทางใกลขนาดนั้นมันมาถึงได้ระยะเวลาเท่านั้นก็แสดงว่ามันยิงดีทาง น, นาช้าวกว็านั้นก็เร็วลงหน่อย ยิงช้าเท่าไรก็ ย, ยิ่งเร็วมากไปถ่อนนั้นอยา่อางรู้จักว่า ท, ทีนของหน้า <c oughs> ดีลรกอแนยะ่นั้นต้องดีดูมันจะยิ่งได้ขนาดไหนจะไปได้ตามความต้องการหรือไม่ <c oughs> การเวลาที่สุดคนกับมืวนกันถึงกันในใหม่ กิิยามารยามันไปนำออกมาใช้แต่ของดีแต่นานไปมันเป็นนีเป็นเดตดขึ้นคือการเวลาันที่สูกคนหเหตอจากตัวดีชั่วถ้ามันคงเส้นคงวาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปยังบริสุทธิ์ยังคงที่คนนั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีถามมันไปในทางดี ามันเชื่อตลอดเวลาครัแสดงว่ามั่ชั่วการเวลาเป็นเื่องบงบอกบางถั่นบางคนอยู่กับครูบาอาจารย์ทำศีลวิญามารยาทขอวัดปฏิบัติดีดีดูถาจีจะเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติแต่พอออกจากวัด รือไกลตาครู อ, อาจารย์ไม่เป็นอย่างนั้นทำไปอย่างที่คืออาจารย์ไม่เคยเนี่ยไม่เคยสอนเคยปฏิบัติดีอยู่ระยะนี้แต่ไประยะหน้าเดือนหน้าปีหน้าวันหน้ามันไปนอีกแบบหนึ่งมันที่สู ด, ด ไ, ได้เหตุใดมันจริงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตไม่ตายตัว จิตไม่มีอัจมีธทำขาดสติความยับยัง้งสั่ใจขาดปัญญาการที่ทไมพิจารณาเมื่องในมีธรรมะใน่มีสาละทางจิตทางใจมันก็วอกแวกเกี่ยวข้องไปในเรื่องข้างนอกเดี๋ยวก่ออันนั้นทําอันนี้หวุนดีหวุนวายฮะเสือเสียงเสือโด่งดังในเรื่องต่างๆ แต่ทางปฏิบัติไม่ได้มองไม่ได้ดูไม่ได้คิดไม่ได้ตัวในกิตของตัวเหมือนมันเลยตามเลยเลื่อยไปแล้วใครจะไปหักห้ามต่านทานมันหมดยางอายแล้วมันเลยยอมเชื่อฟังมันจะไปตามเหลี่องของมันคนแบบนั้นมันมีภาพแบบนั้นมันก็มีอเหมือนกันไม่ใช่บาตรเช่เด็บมนุษย์ คนธรรมดาถ้าทีเคยอยู่กับครูกับอาจารย์มาเป็นแบบนั้นนับไม่ได้ไม่ใช่ว่าทุกองค์ที่ไปศึกษาจะได้ดีทุกคนมากมันเป็นไปไม่ได้แบบนั้นเพราะจิตใจของเขานั้นมันไม่มุ่งมั่นเพื่อปฏิบัติถ้ามันมุ่งมั่นเพื่อปฏิบัติไม่ได้วกวน เกีย่ยวของกับเรื่องอื่นแต่ดูความครุคงคิดของจิตของใจอยู่ทุกระยะทุกเวลาเรื่องใดที่เป็นเรื่องชั่วช้าเะียะหายเป็นเรื่องที่ห้ามกัน้นมักผลเขาจะต้องกำจัดขับไล่อารมณ์ตัญญาของใจออกไปโดยเร็วไม่ได้เก็บเอาไว้ถึงยังไม่ถึง จุดหม้ปลายทางเกิดวิชาริมบทก่สตั้งจิตสร้างใจจะปฏิบัติเพื่อให้เห็นให้เป็นอยู่ตลอดระยะเวลาไม่ได้ปล่อยวันคืนเดือนปีให้เป็นหมันตั้งหน้าทำความเพียรอยู่ตลอดเพื่อจะขับไล่เรื่องอารมณ์สัญญาของใจ เป็นเสืนน่ยนเป็นหนามของทํามินในของมรของฝนให้ตกให้หลุดออกไปผู้ทีประพฤตปฏิบัติอย่างนี้มีน้อยและผู้ประพฤตปฏิบัติอย่างนี้มีวันจะไปถึงฝั่งได้เหมือนกับว่ายน้ําข้ามฝั่งในยอมทอดถอยทอดทุลั พยายามว่ายไปเมื i i ่อมีกําลังก่ไปรวดเร็วเมื่ออ่อนกําลังก็พักผ่อนในน้ําแต่ค่อยว่ายไปพอหายเหนื่อยว่ายต่อคนที่สุดมันกดถึงฝั่งน่ะควรทีบนั่งอยู่บนฝั่งและวนอยากถึงฝั่ง จะบนเทวีมันก็ไม่มีวันถึงจะเห็นบ่อน้ำกว้างเราไม่สามารถที่จะว่ายไปให้ถึงฝั่งได้หรือลงมีว่ายเอาเลยหรือลงมือไปถึงน้ำแต่กลือแล้วแบบนั้นมันก็ไม่มีวันที่จะข่ามฝั่งได้จิตใจของผู้ปฏิบัติตร ง, งั้นกัน แต่เห็นว่าธรรมของพระพุทธเจ้าละเอียด ก, ยกยดารข้ามจากทีเลดเป็นของยากลำบากและไม่ฝ่าฝืนในพยายามในผาเกเพียนคนแบบนั้นก็ไมีมวันมีเวลาที่จะข้ามจากทุกจากวัตจทรสงสารไปได้แต่นั้นพวกเรานักปฏิบัติโดยเฉพาะตะเนน จะยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างมาบุกพึ่งพาอาศัยคาราวาอยากยอมเขาไม่ว่าข้าวปลาอาหารเสื่อหนึ่งห่มขอหามาให้เพื่อสนับสนุนอยากให้เรามีกําลังใจต่อพืชทำดีในละกิเลสแต่เรามาย่อหย่อนเห็นแกกินแกนอน แกเลื่นแกเพิ่ไม่ได้คิดในจิตในใจเส่วน้ํร้ายแกไขจีเลตันหาแบบนี้เป็นที่มากเพราะการงานด้านอื่นใหม่นี้พ่อเนี่ยพี่น้องตลอดถึงราชการงานเมืองเราก็ไม่ได้เอาทุลักนาขี่อะไรจากนักบุต เขามุ่งหวังจะเฉลยชูบุษะให้สร้างหน้าปฏิบะะัติแต่เราเป็นอย่างไรคิดอะไรในระยะนี้ทําอะไรในระยะนี้เป็นไปเพื่อความเพียนไ ล, ล่กิเลสหรือเป็นไปเพื่อความสะสมกิริสต่องน้อนนมนํามาในชีวิตพิ่จ ะ, จะนาศึกษาในกิต ใ, ในใจของตัวไม่อย่างนั้นไม่ตื่นหลับอยู่เรื่อยไป แล้วยังไม่แล้วยังหลง อ, อีกมันไปกันใหญ่ดางนั้นจงพากันฝึกหัดปฏิบัติจิตใจของตัวตั้งหน้าภาวนาชำระใจไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนไม่หลับเมื่อไรเราจะต้องพิจารณาจิตใจอยู่ในอกในธรรมเหมือนนั้น ในปล่อยใจให้ไหลไปตามอารมณ์สัญญาที่เกิดขึ้นหรือผ่าน ม, มานี่คือผู้รักษาสังวรใจท้องตนคนอย่างนั้นจะเป็นผลคือความสงบของใจจะเกิดปัญญาสามารถตัดขาดจากความสงสัยลังเลใจต่างๆทุกอย่างไปจะไปนอนใจ เอาฐานอะไรมันเกิดความดีขึ้นให้โลกอันนี้มันก็ไม่มีใครมันจากบนทุกยากลำบากลำคาญตันอยู่อยู่อยากได้อะไรของนั้นก็เกิดขึ้นขุดขึ้นเป็นขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ทางธรรมะหรือทางด่านท้องโลกก็ทำนองเดียวกันอาศัยความขยันหมั่นเพียรจึงเกิด วัตถุขึ้นได้ยิ่งเกิดธรรมะขึ้นได้ท่านจึงสอนไว้ว่ะวิริยนะทุกขมัติเจติกู้จะพ้นทุกไปได้เพราะอาศัยความเจียดในเสกความเจียดค้านทายพ้นทุกพ้นทัยคนเจียดค้านอยู่บ้านทำการงานภายนอก มันก็ไม่เกิดสระประโยชน์อะไรให้จะไปเรียนหนังสือเหยียดคา้านสอบก็ไม่ได้กับเขาไปทำการงานรับจ้างเขาเหยียดคล้านเขาก็ขับไล่ไม่ให้เงินเดือนไม่ให้อยู่อยู่ที่ไหนหนักที่นั้นอยู่กับพ่อกับแม่ก็หนักพ่อนักแม่เพราะไม่เอาฐานเอาการเอางานอะไรอยู่กับวัดกับวาก็หนักครู บาอาจารย์เพราะความเสียค้างในเอาทมันเสียหายทางนั้นแต่นั้นความเพียรเป็นตัวจักสาคัญพยายามบังคับกายใจของตัวอย่างไรที่ควรจะทำได้รีบกะทำบำเพ็ญอย่าไปเห็นว่าคนนั้นทำแล้วสบายแล้วไปคิดแบบนั้น เรื่องของศาสนาก็ดีเรื่องของโลกก็ดีล่มโจมสิบหายไม่ก้าวหน้าแต่ทรงการข้ามคนแบบนั้นมักอยากเอารัดเอาเปรียบคนอื่นว่าตัวมีสติมีปัญญาแต่เวลากินเวลานอนแล้วเอารัดเอาเปรียบเขาไม่ได้อยากจะกินก่อนเขาอยากจะกินดีเลือด ก, กว่าเขาแต่เราไม่ทำคนแบบนั้น ไปอยู่ที่ไหนใครเขาชอบใครเขายินดีตัวเองถ้ามีคนแบบนั้นเข้ามาอยู่ด้วยเราจะเป็นอย่างไรจะชอบใจไหมต้องคิดจะแก้ไขทับไล่เรื่องคิดขีมานะที่เหลือตัณหาของใจขีมนมีอยู่ให้ออกไปไม่อย่างนั้นจะไม่ตื่นตัว มีอยู่ก็อยู่มีจิ้นก็จินไม่ได้นื้อใดคิดทีนี้พิจรารณาหากเฉพา ะ, ะพตัวของเราเป็นอยู่อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ความรู้ความฉลาดแค่นี้ทิฏฐิมานะเป็นอย่างนี้สิ่งที่เราช้าอยู่ฉันอยู่ ของเหล่านี้มันจะมีขึ้นได้ไหมถ้าหากเพ่ยงแขนจะมีคนเลื่อมใสเต็มใจนำมาถาวายหรือไม่ตัวของเราเองถ้าหากเป็นคนอื่นเป็นแบบนี้จะมีความยินดีเลื่อมใสเต็มใจไหมจะต่องสอนใจของตัวนักบวชต้องเป็นผู้ตรวจตาที่มีปพี่แจนะ ศึกษาอัดทมไม่ใช่มาบวดเพื่อความโง่ความเฉียดค้างความเห็นแก่ตัวต้องนึกต้องคิดฝึกซ้อมจิตใจของตัวแล้วผูกมารักษาศีลบำเพ็ญทานก็ทำนองเดียวกันต้องคิดอ่าน ที่ในที่จะไดนาไม่อย่างนั้นจะถาดคุณถึงสำไ ร, ำไรการให้ทานก็<ส>ต้องเลือกสถานที่เหมือนกันกับเรา ท, ทำไร่ทำนาไม่ใช่ว่าที่ดินที่ไหนก็จะปลูกไปสร้างไป<ส>ต้องเลือกหาสถานที่<ส>เหมาะแก่พืชแบบไหน<ส>ทาอย่างไ ร, รมันจึงจะงอกงามให้ จะได้ผลดีก็ต้องเลือกแต่สถานที่เหมาะทําลงไปนิดๆ ห, หน่อยๆมันก็เกิดผลเกิดประโยชน์มากมายก่ายกองถ้าสถานที่ลองลงไปก็ได้ผลลองลงไปเหมือนกันถ้สาสถานที่ไม่ดีจริงๆอย่างจังทำกันแถบล้มแถบตายจะหาถืดขึ้นมาก็ยังไม่ได้ทั้งทั้งที่ทำลงในดิน อย่างเดียวกันแต่ดินมัน่เหมือนกันแต่นั้นผู้ให้ทานก็ต้องมีปัญญาคิดอ่านถ้าจริงว่าให้ทานในผู้มีศีลให้ทานในผู้มีธรรมมีอันนี้สงมากขัน <c oughs> กาวเอาไว้วา <c oughs> าบนของโลก คือพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นหมายถึงอริยะสงฆ์ไม่ใส่หมายถึงสงสมมุติโดยถ่ายเดียวพระสงฆ์ที่ประพฤติเกะลาลันเหยียบย่ำทำลายศาสนามันมีทาเทียบกับที่ดินก็เป็นหินดานปลูกฝังอะไรลงไปนี่จะทางเสียหายเท่านั้นไม่มีอะไรตี๋ตกดอกออกผลให้ ผู้ตั้งหน้าตั้งตารักษาศีงธรรมสำละใจท้องตัวแต่ยังไม่หลุดหล่นไปจากวิเลสตันหาแต่พยายามทำเพื่อจะแก้ไขขับไล่อยู่ตลอดเวลาท่านก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกหิิงเป็นโซดาเศกษีทาทาอนาชาอารั翰หรือวัดเจรศพุทธเจ้าสามมาสามพุทธเจ้า นี่เป็นเนือน้อนาบุญยอดเนือน้อนาบุญเยี่ยมทำลงไปนิดหน่อยก็ได้ผลมากมายขอท่านเหมือนขี้บินดีข่าวเพียงกรอบเดียวคำเดียวเท่านั้นหว่านลงไปในเนือน้อนาที่ดีนั้นสามารถที่จะออกผลออกกําไรต่างเยอะแยะ พอเนื้อดีเนื้อขี่ดีข่าวเม็ดเดียวนเนื่อมันตกลงหล่นลงไปในเนื้อสี่ดีมีปุยมีน้ำหล่อเลี้ยงสมบูรณ์สามารถที่จะแตกหน่อออกได้กันหลายๆทิศแต่ะล้วลวงเข้ามันลวงใหญ่ แต่นับเทียบกับเม็ดที่ตกลงไปได้กำไรเป็นหมื่นๆโอเคเลยกำไรเล็กๆหนน้อยพอเราปลูกลงไปเม็ดเดียวมันแตกขึ้นมาถึงสามสหรือห้าสิบหรือร้อเคยมีเคยได้นับข้าวเข้าไปหวานในบวกในหนองเพียงข้าวเม็ดเดียวหวานลงไปแต่มันได้ที่เหมาะสม ยมันดีมันแตกหน่อออกมาแตกกบแตกกอของมันออกมาเคยไปนับดูได้เป็นร้อยตัมีทั้งขัง้ี่ขาวเม็ดเดียวร0อยต้นรอยลำนะออกรวงมาร้อยรวงจะมีมเมล็ดมันเท่าไหร่นะมันรวงใหญ่หญมันจึงได้กำไรต่างมากมายาที่ไม่ดีแหละไม่เป็นอย่างนั้นปลูกลงไปบางทีก็ไม่ เงาะให้าบางทีออกมาเงาะออม า, า, า, ออ ก, มาก็เป็น อ, อวงให้มันเป็นอย่างนั้นแผ่นเสียงให้ทีนี้พิจนาอู่ทาทานก็ต้องมีปัญญาเหมือนคนทําไรทำนะต้องหาสถ า, านที่สถานที่เหมาะดีทําไปมันก็ไม่ไรผลได้กําไรเยอะแยะมีการทําบุญซึ้งทาน ถึงสาราอตรก็เป็นหน้าที่อยู่ที่เราจะต้องทำเพราะเหตุใดเพราะทานที่เราทำลงไปนั่นแหละจะเป็นบุญเป็นกุศลจิตในจิตในใจของเราไปทำ ถ, ถูกที่ถูกฐานเรานึกคิดเมื่ อ, อไรเรามีจิตใจยิ่งแยมแจมใสมีสุขในจิตในใจ แลวบุญกุศลที่ก่อสร้างเอาไว้โดยการให้ทานไปเกิดพบได้ชาติไดก่จะไปไม่เป็นคนอยากจนเข้นใจไร่ทรัพอักปัญญาถึงเป็นเรื่องที่เราปรารถนาแต่นั้นทันจริ ง, งหให้ทำอย่าไปนอนใจอย่า <c oughs> ไปคือว่าการนั้นก่อนการนี้นก่อน <c oughs> การใดเวลาใดพอทำได้ยอมทำไป ยอมเสียสละไปเพื่อผลกําไรในครบชาติทางหน้าท า, า, านก็ไม่เกี่ยวของกิงก็ไม่รักษาภาวานาก็าไม่บําเพ็ญ <50 S 1> เกิดมาก็าไม่ทราบว่ า, า, าเกิดมาทําไมาามาเทียงกินเทียงขี่มาเสียงหนักแผ่นดินแถวนั้นนั้ น, น, นในเกิดซักประโยชน์อะไรฮ <c oughs> เหมือนกันกับข้าวอยู่ในยุ่งในขางของเรา มีอยู่แต่ไม่มีปัญญาที่จะเอาไปทอปลูกพืชพันต่อไปมีเท่าไรก็กิ้มอยู่อย่างนั้นผนที่สุดข้าวในยืงในสางหมดมันจะเป็นอย่างไรวันข้างหน้าต่อไปแล้วก็เป็นคนอดคนจนไม่มีอะไรหนียวมาจะไปยิ่งเขาไปหาอยู่ไหมฉางติ๊กเลมีข้าวเราจินทุกวันไม่ได้หามาเพิ่มเติมมันก็หมด ในหม้อในหายมันก็หมดทำหิวของเรามันจะดับไปได้เลยอุบายอะไรถ้าหากไปเลยรับทานลงไปมันก็ไปหายหิวแต่นั้นผูมีปัญญาเขจึงถึงการถึงเวลาก็จึงไปปลูกไปฝังถึงเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวลาบากยากเย็นก็ต้องไปทำพอหวังผลกาไรในปีข้างหน้าเราจะได้ถึงทาอาศัยที่เราปลูกฝังไว้คนเกิดมาเป็นมนุษย์ เพราพระุทธศ า, ษ า, ษ า, ษานสนาเขาทำลองเดียวกันส่องเข่าวัดเขาวาส่องหาทานรักษาสิ้นเจริญเนตรตาภาวนาไหว้พระสวดมนต์ถึงเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวถึงลำบากอยากเย็นก็กระทำบาเพ็ญเผื่อต่วยเองขาดทำได้พบชาทางหน้าที่เราส่องการปรารถนาะก็จะสมหวงังเพราะเราได้ทำเอาไว้ไม่ได้ขาดทุนสุนําไหรหนีการ ก็พึป่ปฏิบัติกายใจของเราการแนะสอนตัวเองอย่าไปนอนใจอย่าไปตายใจเพราะการอยู่รวมกันมันในแน่นอนเราไม่ตายก่อนท่านท่านควจะตายก่อนเราหรือบางทีก็มีเรื่องที่จะจากกันไปแต่นั้นเมือ่อใดที่เราเห็นว่าพอเราจะทำได้พอจะเกิดผลประโยชน์ แต่ตัวข้องตัวก็รีกำบกระทําบําเพ็ญไปคนที่ตั้งมั่นขยันมีความเพียรคนนั้นจะไม่จนมุมไปแต่ฐานที่ใดจะมีความสุขกายสุขใจฉะนั้นขอทุกท่านจงนำไปทิ่พิจารณาศึกษาตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติในเนี่ยที่ถูกต้องดีงามละชั่วที่ตัวเห็นว่าไม่ดี หรือพระพุใจเจ้าครูอาจารย์สอนว่าไ่ดีละมันไปปล่อยมันไปทาจิตทําใจให้สงบให้มีความสุขนี่แหละคําสอนของพระพุทธเจ้ามันไม่มีอยู่ที่อื่นําหรับตาําราเป็นตําราของคําสอนตัวของเราเท่านั้นเป็นตัวของศาสนาศีลสมาธิปัญญาวิชาวีมุติมีอยู่ในตัวของเราทั้งหมด ขอให้พากันขยันหมั่นเพียรแตะทำบำเพ็ญให้เห็นให้รู้เมื่อทุกท่านเบิกะดับรับฟังแล้วจงนำไปที่นิ่เจนาลงมื อ, อ, อปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเองมากขอทุกคนเึงเวลาขอุติเชียงเฉินเอวัง